ชีวิตผู้สาวบ้านนาอุดการศึกษาพี่ ยามป่วยเฝ้าดูแลใจอ้ายคือ น้องอยู่เยืนสู้ชื่อว่าเพราะว่าอายพูทางไว้จับมือประคองขอรห้องอย่าได้ น้องอยู่เยืนสู้ชื่อว่าเพราะว่าอายภูทางไว้จับมือพระครองขอร้องย่าได้เปลี่ยนไป